ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องของรรมสมรถะคือทำคิดว่าทาวิปัสนาปฏิบัติมา1ิอปีเนี่ยทำอะไรมาบ้างเราก็ไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนึงนี้เมื่อพูดถึงสำนักหลักแหล่งวิธีการ น, นนะะคือสรุปแล้วว่าติดสุขนะคือสรุปแล้ ว, ว่าติดสุกก็คือไปทำแล้วจะได้ปีติได้สุขสวดกันนะมากๆ นั่งกันยาวๆแล้วก็จะต้องเลือกโลเคชันหรือสถานที่ปฏิบัติให้มันเหมาะมันได้อารมณ์มันเลิศมันรู้บรรยากาศที่ไหนสบายเนี่ยในกลุ่มไฮโซเขาสามารถเลือกได้ที่นี่วันสุดท้ายถึงมารู้ว่าสุขจริงหรือเปล่าที่ว่าปฏิบัติสมถะเนี่ยสุขเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหม แล้วรู้สึกไงแล้วเข้าไปกุฏิไม่มีน้ําล้างน้ําล้างส่วง น, น้ำล้างหน้ารู้สึกไงยังสบายอยู่ไหมโอ้ถึงจะรู้ว่าตรงนี้มันสุขจริงหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงคือสุขเนี่ยมันไม่มีจริงน ะ, นะมันเป็นเวทนาที่เราสแสวงหาที่ความทุกข์ที่เบาบางเท่านั้นเองนะความทุกที่เบาบางเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้เงื่อนไขาตามที่มันต้องการเขาเรียกว่าความสะดวกความสบายเรามาเรียกว่าความสุข เพราะความสุขไม่มีจริงแต่เราไปสมมุติอาการของทุกโดยเฉพาะเราอยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยเราเงื่อนไขอะไรต่างๆมันได้อย่างใจเมื่อมันได้อย่างใจเราไปคิดว่าอันนี้เป็นความสุขแต่มันคือความสะดวกความสบายทางกายพอเมื่อมีอะไรขัดใจไม่ถูกใจปับ๊บก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิด ค, ความอึอดอัดเกิดความวุ่นวายเกิด ค, ความเศร้าหมองขึ้นมาเพราะนั้น ความสะดวกสบายเนี่ยเมื่อมีอะไรไม่สะดวกสบายอย่างที่ใจต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายขึ้นมานึทีอันนี้ถึงหมายถึงว่าสมถะเราต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ติดความสะดวกสบายอันนั้นแล้วก็คาดเอาว่าอันเนี้ยเป็นผลของการปฏิบัตินะเข้านั่งเข้าชานชั้นนั้นชั้นนี้ได้แล้วเวลาออกมาทํางาน ติดดินเนี่ยทำได้ไหมต้องชีวิตจริงเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้าไม่ชีคืนสวยหาความสุขแบบเนี้ตอนนี้อายุ60แล้วจากนี้อีกสิปีถ้าอายุ70็เนี่ยร่างกายสังขารมันจะอยู่แบบนี้ไหมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะมาความป่วยต้องมาถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยจิตของเราไม่มีตัวรู้เป็นที่พึ่งมีแต่ความสงบสุขเป็นที่พึ่งเนี่ยในเมื่อร่างกายสังขารมันเปลี่ยนแ ป, ปลงไปโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเนี่ย ความสงบสุขที่เรายังได้รับอยู่เนี่ยมันจะยังอยู่อย่างนี้ไหมก็กคือชักลังเลไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่าไปถึงเวลานั้นบ้านเมืองอาจจะเกิดการเข้ายากหมากแพงเกิดการขาดแคลนเกิดการศึกสงครามเกิดเชื้อโรคระบาดอะไรขึ้นมาเนี่ยความสุขที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้มันจะเหมือนเดิมไหมอ่าไม่มีแต่ถ้ า, าเราปฏิบัติวิปัสสนามันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่สแสวงหาสุขและจะไม่สแสวงหาทุกข์ แต่จะแสวงหาความพอดีระหว่างสุขระหว่างทุกข์ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าไม่ใช่เคยทํากับข้าวไหมเคยทําใส่พริกใส่เกลือเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยถ้าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอร่อยไหมก็ไม่อร่อยถ้าใส่ทุกอย่างที่มันครบตามนั้นเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งมันมากเกินไปอย่างหนึ่งมันน้อยเกินไปเนี่ยมันอร่อยไหมก็ไม่อร่อย โอ้พริกนี่มันเผ็ดเกินไปไม่ใส่ได้ไหมก็ไม่ได้โอ้เกลือนะมันเคม็มไม่ต้องใส่เลยได้ไหมก็ไม่ได้ตรงลงว่าต้องใส่ทุกอย่างใช่ไหมทั้งเผ็ดทั้งเคม็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานล้วออกมาแล้วเราก็บอกว่ามันอร่อยคำว่าอร่อยมันเป็นรสของอะไรก็ถามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันเป็นรสของพริกหรือเปล่าหรือเป็นรสของเกลือหรือเป็นรสของ ขิงตะไคร่ขิงขางงาตะไคร่รถอันใดบอกไม่ถูกมันกำมังรสอะไรรู้ได้เดี๋ยวว่ารถนี้อะไรอร่อยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะรู้จักใช้ความสมดุลของแต่ละอย่างถ้ากินพริกอย่างเดียวก็เผ็ดก็เรียก ว, ว่าทุกใช่ไหมถ้ากินน้ําตาลหนึ่งเดียวมันก็หวานเรียว่าสุกแต่ละอย่างมันจะมีรสในร่างกายของเราสามสบสองอาการมันเหมือนเครื่องแกงเมื่อแต่ละเครื่องแกงแต่ มันออกมามันก็จะมีอาการอยู่สองอย่างคืออร่อยและไม่อร่อยแต่เราไม่เรียกว่าอร่อยแล้วอะไรรู้สึกหนักและเบารู้สึกสบายและไม่สบายถ้าสบายเกินไปดีไหมก็ไม่ดีติดอร่อยเกินไปยิ่งอร่อยมากก็อาหารอร่อยเกิดจากการปรุงแต่งสารปรุงแต่งอ่ะมันอร่อยแค่นี้แต่อย่าให้อร่อยมากกว่านี้เฉพาะพริกเขือเกือปลา เครื่องปรุงแต่งเนี่ยมันได้เท่านี้แหละอร่อยแต่ให้คุณอยากจะได้คุณได้อร่อยมากกว่านี้ใช่ไหมคุณก็จะต้องมีผงปรุงแต่งละจะเป็นผงชูรสผงอะไรก็ได้แต่นั้นคือหมายถึงพิษล่ะเนีเพราะฉะนั้นความอร่อยมันต้องเกิดจากพิษแต่ถ้าคุณกินน้ําพริกกับผักต้มผักลวกผักสูผักดีบด้เฉยเนี่ยอร่อยไหมไม่ต้องปรุงก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยพอดีนะมันอาจจะ ถ้าไปเทียบกับใส่ที่เราปรุงแล้วมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้ไอ้ความสมดุลของธรรมชาตินี้ฉันใดไม่ต้องเอาไก่เรื่องอาหารน่ะร่างกายนี้เราจะประสบ ก, กับความสบายหรือไม่สบายอยู่ที่ว่าคุณสมดุลมันได้ไ้ยสุขทุกมีตลอดเวลาคุณจะเอาสุขอย่างเดียวมันก็จะเป็นพิษเพราะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงคุณจะเอาทุกอย่างเดียวคุณก็ไม่ชอบเพราะมันไม่ถูกใจ เพราะนั้นคุณสมดุลได้ไหมระหว่างสุกพอดีกับทุกพอดีเนี่ยผู้ริเจ้าท่านใช้คำว่าพอทนได้เอาที่พอทนนั้สุกโอสุกเลอะเกินจนทนไม่ไหวจนฉันจะต้องกินสุกเลอะเกินโอ้โหฉันชอบเลอะเกินจนฉันจะต้องเสพสุขกับสิ่งนี้แล้วก็ไปหาสิ่งเสพติดเสพอาหารเสพยาเสพติดเสพเหล้าเสพบุหรี่เสพอะไรต่างๆแล้วทนไม่ได้ที่จะเสพมันเพราะมันสุขใช่ไหม เราก็ทนไม่ได้สุกเกินไปแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะเสพเยอะๆอะทุกเกินไปแล้วก็เราก็เสพไม่ได้เพราะมันทนไม่ได้อร่อยนิดเดียวหรือมันไม่อร่อยเราก็ทนไม่ได้แล้วเพราะมันเอาเปรียบเทียบเพืความอร่อยไอ้การที่เราใช้ถูกใช้สุกใช้ทุกแบบไม่สมดุลนี่เองเราเรียกว่าสุดตรงที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละใช่ไหมนึกออกไหมว่าสุดตรงมีกี่ทาง ตรงซ้ายและตรงขวาใช่ไหมตรงขวาเรียกว่าอัตตการมสุขานิการุโยกทําตนให้สบายเกินไปขวรเจะละเพราะไม่ใช่ทางความสุขอัตตกิริมัฏฐ า, านุโยกทําตนให้ลําบากเกินไปก็ไม่ใช่ทางสุขเพราะมันเกินพอดีแต่คุณบาลานระหว่างสุขกับทุกข์แต่พอดีเขาเรียกว่าทางสายกลาง ทางสายกลางคือความสมดุลเหมือนอาหารอร่อยแต่พอดีไม่อร่อยเกินไปก็ไม่ถึงกับว่าไม่อร่อยแต่วันพอกินได้อาหารที่พอกินได้มันไม่อร่อยอาหารนั้นคืออาหารคุณภาพอาหารสุขภาพจะเป็นอาหารที่ไม่อร่อยแต่ว่าสําหรับคนที่รับสุขภาพแล้วมันอร่อยเพราะอาร่อยไม่อร่อยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอยู่ที่ว่าเราหิวหรือไม่หิวใช่ไหมถ้าเราหิวอะไรก็อร่อยหมดแต่ถ้าเราไม่หิวสิ่งที่ปรุงอร่อยที่สุดก็ยังว่าไม่อร่อยอยู่ เพราะฉะนั้นไอตัวแปลอย่างนี้จะหาความพอดีได้ไหมเพราะฉะนั้นนั่งนานเกินไปในท่า น, นี้มันไม่สบายคุณก็สมดุลมาหน่อยคุณก็พลิกไปทางนี้นั่งท่านี้สบายเกินไปคุณก็พลิกไปนี้นนนนสเสีหน่อยอาการปรับความสมดุลตรงนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเราไม่ใช้คําว่าบาลานซ์เราก็ใช้ว่าสมดุลซึ่งมันเป็นหลักสากลที่มันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบ ว่าเมื่อก่อนท่านอตอนเป็นฆราวาสใหม่ๆเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นของรากเนี่ยท่านก็มีความสุขเต็มที่แลหละดีหน่อยได้ไหมดีหน่อยน ะ, ะถ้าออกมาบวชท่านก็โอ้โหมันสุขเกินไปเพราะทรมานเต็มที่เลยใช่ไหมจนตัวเองจะไปไม่รอดในที่สุดท่านก็กลับมาหาความสมดุลด้วยตัวเองช่วงที่ทรมานเต็มที่เขาก็มีพวกหนึ่งที่เขาชอบ แบบทรมานอย่างที่สุดนะเขาเรียกเบญจวครีทั้งหใช่ไหมพพระพุทธเจ้ากลับมาสู่ความอหาความพอดีเบญจวครีทั้งห้านี้ไม่เอาแล้วฤาษีทั้งห้านี้เลยโอ้หมดความเพี้ยนเวียนแบบความพักมากผมว่าไม่แต่รู้อะไรได้นี่เห็นไหมคนทั่วไปอย่างนี้ถ้ากลับมาปฏิบัติพอดีอคนนี้ปฏิบัติไม่เคร่งครัดไม่น่าเรื่องใสตรงนั้นปฏิบัติเคร่งครัดมาอุน่าเรื่องใสใช่ไหมคนก็จะเฮไป เลื่อมใสพระที่เคร่งขัดยิ่งทรมานได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อปฏิบัติแต่ว่าคนก็ไปขึ้นทางนั้นเพราะคนนิยมความรุนแรงนิยมความสุดโตง่งใครทรํารุนแรงสุดต่งได้มากน่าเลื่อมใสอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติพอดีโอ้ก็เกิดการเปรียบเทียบพระองค์นี้ปฏิบัติหย่อนยานไม่เหมือนพระองค์นั้นอนุค์นัปฏิบัติได้เคร่งกว่าอะไรทํานองนี้นี่คือเราจะเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตที่ย่อหย่อนก็อีกแบบหนึ่งหรือ เกินพอดีก็อีกแบบหนึ่งที่ระหว่างคำว่าพอดีตรงกลางเนี่ยเราหากันไม่ค่อยเจอเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบจุดนี้ปับ๊บท่านก็เลยนำมาแสดงว่าทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาเพราะนั้นหลักของความสำรุนจึงใช้ไปได้ทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องสังคมเราไม่ใช้คำว่าอะไรสามัญฉันใช่ไหมปลองดองอะไรทั้งนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาษาแล้วแต่จะใช้ในสำนวนในบริบทไหนแต่ภาษาก็จะเปลี่ยนไปนะ ดังนั้นเองในจุดนี้ก็เหมือนกันเราก็มาหาความปลองดองในตัวเองมาหาความสมานฉั น, นมาหาความพอดีในตัวเมาความสมดุลในพอดีมาคามความมัชชิมาในตัวเองให้พอดีแล้วชีวิตเราจะสบายพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้สอนให้สแสวงหาสุขและไม่ได้สอนให้หนีทุกข์นะแต่คุณจะสมดุลสุขสมดุลทุกข์ในอัตราส่วนที่พอดีไหมคุณทําตรงนั้นให้เป็นนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ปัญญาละ เพราะในตัวเรานี้มันอยู่กับความเกินพอดีมาตลอดนะเกินพอดีตลอดนั้นก็ต้องใช้ปัญญาดังนั้นเบื้องแรกที่สุดท่านจึงให้มาหาปัญญาก่อนอย่าเพิ่งหาทางสายกลางถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีทางที่เจอทางสายกลางขนาดทางสายกลางแค่เรื่องของสังคมที่จะทําคนให้สมดุลสมานฉันกันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมจะเรื่องปองรองเนี่ยก็ ย, ยังยากอยู่แล้วแต่ในนิรันดร์ากายเรื่องใจมันเป็นนมามธรรมมันก็จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆ แค่จะทำแกง อ, อร่อยสักหนึงน่งนันก็ไม่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหม เ, เราเองไปทํำยังไม่อร่อยเลยต้องไปซื้อที่ร้านกินอะใช่ไหมแค่วัตถุใช่ไหมแค่ลู่ลูประทำอะเรายังทําไม่ค่อยได้เลยแล้วร่างกายของเราที่จะทำให้เกิดความสมดุลพอดีถ้าเราไม่ฝึกปัญญาเนี่ยมันจะเจอไหมนี่แหละคือความยากของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจึงมาสร้างตัวรู้วิปัสสนาเราจึงเอาตัวรู้เป็นอารมณ์วิปัสสนา เอาตัวรู้ที่เกิดจากอาการของไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่ไม่ได้เอาตัวไตรลักษณ์ของวัตถุเป็นอารมณ์แต่เอาไตรลักษณ์ที่เป็นตัวของนามเป็นอารมณ์ึงเรียกว่าวิปัสนาเรือว่าวิปัสนาเอาปรมตัตดเป็นอารมณ์ถ้าว่าโดยภาษาปริยวัติแต่สมถะเอาสมมุติเป็นอารมณ์ มันคือไปคนละทางเพราะฉะนั้นสมถะปฏิบัติไปสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปสู่อริจภูมิได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทิ้งอาราดาดาบทและอุทะการดาบทเนี่ยนั้นคือตัวอย่างของสมถะสูงสุดได้แค่นั้นแต่พอท่านมาปรับหาความพอดีความสมดุลก็จึงได้เจอความพอดีจึงไปสู่หลักของวิปัสสนาดังนั้นเองการที่เรามาใช้วิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันถูกมันผิดแต่มันเป็นเหตุ เ อ, อื้อต่อที่จะไปสู่วิปสัสนาได้ง่ายเท่านั้นเองหลายคนมาทําวิธีการเคลื่อนไหวแล้วยังเป็นสมถะอยู่ก็มีเพราะอะไรเพราะตัวรู้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะการมาทําตัวรู้สมบูรณ์ท่านต้องใช้คําว่าอะไรภาวิตาภูาุิีกตาคือทํามากๆทําบ่อยๆรู้รู้ม า, มากๆรู้บ่อยๆนะรูะ้ยมคนนั้นที่กลาวมาเบาื้องต้นว่าเขามาก็เลยบอกว่าคุณ รู้บ่อยๆก็จริงแต่มาไปรู้ในส่วนที่เป็นรูปสแต่คุณจะต้องมารู้ในส่วนที่เป็นนามคือตัวรู้เนี่ยให้รู้บ่อยๆคุณตามรู้ได้เยอะคุณคุณตามรู้ได้เยอะแต่ว่ า, าการตัวรู้ที่จะมารู้เนื้อรู้ตัวจริงๆมันน้อยนะดังนั้นเองก็ในช่วงของแค่ตัวอย่างติดสุนะไม่ใช่คนที่บอกเออท่านนั้น พรุ่งาขอมาเข้าไปเข้าที่เชียงใหม่ต่อนะเพราะฉะนั้นคนะุบางคนปฏิบัติมายาวผพ้ที่เจ้าท่านรับประกันไว้ถึงแค่เจ็ดปีเท่านั้นนะหลักสูตรของท่านนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าทําให้ถูกต้องจริงมันแค่สามปีก็ได้นะเรื่อนี้นี่เข้าไปอีกอันนี้สิบก็ไปยี่สิบปีเราก็ยังไม่ไปไหนเราก็ยังโกรธยังเปลียนยังเคียดยังขุนยังทุกอยู่เหมือนเดิมอะ่ะทั้งที่ปฏิบัติวิภาวนานะตอนนั้นเองก็เบื้องต้นขอให้เจอ กัลยมิตรผู้รู้จริงว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนวินปั ส, สนาสองเราก็ต้องเป็นคนจริงด้วยนะถ้าไปเจอผู้รู้จริงแต่เราเป็นคนไม่จริงก็ต้องเจอเของไม่จริงอยู่นั่นแหละนะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งสำหรับภาคนี้นะตัวอย่างที่สองนะก็จะจบเรื่องนี้จะนําไปสู่เรื่องการชั้นเพนนะ ตัวอย่างที่สองในกลุ่มของในวิธีการเคลื่อนไหวปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีหลายกลุ่มหลายอาจารย์ยอมมาพูดให้ฟังว่าฉันไปเข้าวิธีการนี่มาป <c oughs> รากฏว่า <c oughs> เขาบอกว่าพระสอนเพี้ยนกันหมดเลยว่างั้นแต่ฉันเนี่ยต้องมาทำแบบฉันเนี่ยถึงจะถูกต้องเราหลวงพ่อจะว่าไง <c oughs> ถ้าเจองี้หลวงพ่อจะว่าไง หลวงพ่อว่าคุณมีปัญญาพอไหมที่จะฟังฟังออกไหมว่าที่เขาพูดยังหมายความว่าอย่างไงถ้าฟังออกถึงจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าฟังไม่ออกคุณไปโทษเขาพูดไม่ได้แต่โทษตัวคุณเองที่ยังไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเราอย่าบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดไม่ได้ก็ปัญญาเขามีแค่นั้นเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะแต่เรามีปัญญาที่จะฟังไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกมันผิดก็ฟังแค่นี้ว่า ถ้าไปตัดสินว่าถูกก็อาจจะ ย, ยังไม่ใช่ไปตัดสินว่าผิดก็ยังไม่ใช่แต่คุณต้องพิสูดอย่างที่เขาว่าดูว่ามันใช่ไหมอ่าตัวอย่างว่าไงที่เขาอ้างมาว่าบอกว่าอานั่งฟังไปสร้างจังหวะไปนั้นไม่ถูกหรอกพลิกมือก็ไม่ได้ให้นั่งนิ่งๆในวิธีการอย่างนี้หลวงพ่อเทียนว่ายอย่างนี้อย่างอ้างหลวงเสือนเป๊ะหมดนะเอามาได้กล่าวว่ายุคหลวงพ่อเทียนเมื่อสามสิบหรือห้าสิบปีก่อนกับเราเนี่ยมันยังคงที่เหมือนเดิมไหม S 1> <S 1> สังคมยังคงที่มันเดิมไหมมันไม่เหมือนถ้าจะทําเหมือนท่านทุกอย่างมันถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้เขาใชา้รถไถนาคุณว่าเขาผิดไหมใช้รถไถนาเมื่อก่อนเราไปที่ไหนเราใช้จักรยานเดี๋ยวนี้เขามาหันใช้โมเดลไซน์ไอ้คนที่มันใช้โมเดลไซน์เนี่ยผิดไหมเมื่อก่อนคุจะไปไหนมาไหนบรรทุกของเขาใช้เกวียนนะแต่นี้เขาใชา้รถบรรทุกคุณว่าเขาผิดไหมตัวยอย่างนี้มันบอกถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นยุคเราสมัยเราปัญหามันอย่างเนี้นยเงื่อนไขทางสังคมมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณจะเอาทําแบบนั้นเนี่ยโดยคุณที่ดัดแปลงไม่ดัดแปลงเลยเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ออกมาก็ไมได้ไรสินนะเพียงแตามันใช่หรือไม่ใช่นะอย่างงั้นเมื่อก่อนนี่เราเกี่ยวข้าวกูจะได้ขายสามเดือนจะออกจากหลานได้เดี๋ยวนี้แค่วันเดียวก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปั่นออกมาเป็นข้าวไปขายได้เลยเอเมื่อก่อนต้องเกี่ยว ห้าวันตากห้าวันเข้าลานเอามาเข้าลานอีกสิบวันกวุยจิตียาสารจะลอดออกมาได้อีกสิบวันเดือนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้แค่ชั่วโมงเดียวมันออกมาขายได้แล้วถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นไหมอ๋อจะเริ่มได้ดวงตาเห็นธรรมใช่แล้วต้องยอมรับด้ความเปลี่ยนแปลงนะยอมรับด้วยความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าความเปลี่ยนแปลงมันดีตรงที่เราใช้มันให้เป็นนะถ้าคุณใช้ไม่เป็นเขาก็ว่าคุณงมงายอีก ถ้าสมมุติเรามาจะเดินทางจับมุ่งแพร่มาถึงที่มาทันให้พูดวันนี้เนี่ยถ้ามาโดย <c oughs> เดินทางมาเนี่ยอามายัางเดินทางยังไม่ถึงอุตรดิตเลยนะใช่ไ <c> ห <oughs> มเดิน อ, อีกวันหนึ่งเอามามาถึงพิโลกอีกวันนึงมาถึงนครสวรรค์อีกวันหนึ่งมาถึงกรุนน ง, ง, งเทพอีกห้าวันถึงยังมาพูดที่นี่ได้แต่นี่มาชั่วโมงเดียวถึงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไวมากแล้วต่อไปถ้าคุณไม่ทําใจอย่างนี้ถ้าคุณไม่รีบทาวิปัสสนาคุณจะติดตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลอีสิบปีข้างหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องไปธนาคารคุณไม่ต้องไปเบิกเงินฝากเงินให้ลำบากใช่ไหมทุกอย่างมีอยู่ในอากาศแค่เดี๋ยวนี้ก็จะโอนเงินเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ไม่ต้องไปธนาคารได้ใช่ไหมมันก็พเห็นกันง่ายๆนี้ดั ง, งนั้นเราจะเห็นว่าการวิปัสสนาแล้วนั้นคือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะท่านบอกว่าพุทธศาสนานต้องไปทันเหตุการณ์ไปก่อนด้วยซ้ําไปนัเรียกว่าทัน ทันสมัยเพราะนั้นพุทธภาษิพิกาว่าสติมัโตสถาพุทธังสติทําให้เราทันสมัยทันสมัยสติมัโตสถาพุทธังถ้าหากว่าเราจเจริญสติไปแล้วเราสามารถปรับให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลามิชีคนหนึ่งวันนั้นหลังจากเราเสร็จที่ข้อที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปดูวัดที่แม่ลิมนะวัดของหลวงตาท่านไปสร้างนะก็ไปเนี่ย ทีนี้กลับว่าเออกลับจากวัดนั้นเราจะไปที่ตรงนี้หน่อยนะแต่ปรากฏว่าเวลาไปเนี่ยมันเงื่อนไขกูละอย่างโอ้เราหลงทางเรารอกันกูจะไปถึงวัดก็เข้าขกลับมาอะไรจะไปที่แห่งไม่ทันแล้วก็ปรับกระบวนการการเดินทางเรื่อยๆไม่ชีก็เลยโออันนี้คือทางสายการคือต้องปรับตามเหตุปัจจัยเพราะระหว่างทางเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าสามโงเราไึงนี้สามโงครึ่งเราไปถึงตรงนี้สี่โมงเราไปตรงนี้สี่โมงคึ่งเราไปถึงตรงนี้นะ ทีนี้เดินทางแค่สามุมงถึงสี่โมงยังไม่ถึงตรงนี้เลยแล้วคุณจะว่าให้ยังไงอันนั้นถ้าหากเราปฏิบัติวิปัสนาเข้าใจแล้วมันทำใจได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้สบายแล้วคุณก็จะทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทคนันเกมแล้วทันใจตัวเองด้วยนะดังนั้นเองก็ว่าวิปัสสนานั้นเราเอาตัวรู้คือตัวปัญญามาเป็นอารมณ์ว่าอย่างนั้นแบบไม่เกรงใจเลยนะ เอาตัวรู้มาเป็นอารมณ์เอาตัวรู้มาเป็นตัวนําเอาแสงสว่างมาเป็นตัวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสครั้งแรกว่าจากขุงอุทภาพปฏิคุณต้องได้ธรรมจักรสุขคือได้สติก่อนเมื่อคุณได้สติแล้วยาณังอุทภาพปิคือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์เมื่อคุณเอารู้เป็นอารมณคุณจะไปได้อย่างถูกต้องคือปัญญาอุทภาพปฏิเมื่อคุณไปถูกต้องแล้วคุณได้หลักคือวิชาอุทภาพปฏิเมื่อคุณได้หลักแล้วคุณก็จะเข้าถึงจุดนั้นอย่างปลอดภัยเรียกว่าอาโลโกอุทภาพปฏิใช่ไหมธรรมจักรอ่ะ พวกเราไปเปิดธรรมจักดูนี่เวลาสวดจากคุณอุทัพปัทถยาน้งอุทัพปัฏถิปัญญาอุทัพปัทถิวิชาอุทัพปัทถิอาโโกอุทธาพปัทถิท่านสวดเราไปรอบมาถึงสิบสองรอบเลยนะเรีวยกว่าปริวัตรสิบสองอาการสาปริวัติบสองในธรรมจกักเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกของผู้ริชานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่จะสอนวิธีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ขยายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ อย่าไปบอกว่าถูกหรือผิดแต่ท่านปไปพิสูจน์เอาว่าองค์นี้สอนอย่างนี้ท่านนั้นสอง น, นั้นคนอื่นว่าสอนนี้นถูกสอนนี้ผิดสอง น, นั้นเพี้ยนไม่เพี้ยนคุณอย่าเพิ่งตัดสินเ้าคุณไปฟังดูก่อนแล้วมันใช่ตรงไหนไม่ใช่ตรงไหนใช้ปัญญาถ้าจะให้ดีก็นั่งคุยกันนะเราก็ยอมรับความต่างปัญหามันจะไม่เกิด เออความต่างแบบนี้มันต่างไปจากที่เราเข้าใจแล้วเอาปฏิบัติแล้วมันไม่เข้ากับเราคุณก็ไม่ไปเท่านั้นเองอ่ะคุณแบบนี้ปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราเกิดความขัดแย้งเรามากพอแล้วเพราะเราไม่ยอมรับความต่างของกันและกันใช่ไหมแต่วิปัสสนาสอนให้เรายอมรับความแตกต่างของอแต่ละคนมีการศึกษาแต่าการมีประสบการณ์ต่างกาันมี สังคมตะการมีสิ่งแวดล้อมแต่การมีชาติแต่กูตแตกต่างกันมีสติปัญญาแตกต่างกันมันต่างกันทุกมิติในชีวิตทั้งคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษว่าใครถูกใครผิดใครใช่หรือไม่ใช่แต่เราจะไปเลือกเอาสิ่งที่มันเข้ากับเราคุณเข้าไปร้านอาหารเขามีเมนูอาหารเป็นร้อยร้อยอย่างเนี่ยคุณจะไปเลือกกินทุกอย่างไม่ได้หรอกคุณเลือกกินอย่างเดียวที่คุณชอบเท่านั้นแหละ แล้วคุณจะไปบอกว่าคนกินอาหารที่ต่างเมนูจากคุณนะ่ะมันผิดถูกไหมมันก็ไม่ใช่ถ้าคุณชอบอย่างนี้คุณก็สั่งกินนี้แล้วอย่างอื่นคนชอบเขาอย่างอื่นชั้นใดก็ดีเราอยู่ในสังคมเนะี่ยมันก็เหมือนเมนูอาหารเหมือนยาในร้านเราก็ไปซื้ อ, อยาที่ถูกกับโรคของเราแลอีกร้อยอย่างที่มันไม่ถูกกับโรคของเราเราก็จะบอกว่ายานี้ผิดไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ถูกกับโรคของเราเท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นสองตัวอย่างที่ยกมาก็คิดว่าได้เวลาพอดีใช่ไหมหมอข้อค้ข อ, ข อ, อนูทนาในภาคเช้าเราได้ศึกษามาในช่วงภาคบ่ายจะเป็นภาคปฏิบัตินะแล้วในช่วงภาคบ่ายเราจะพูดถึงเรื่องอารมณ์ปฏิบัติเราก็ขอให้เราเข้าใจในหลักเบื้องต้นด้วยลักษณะอาการอย่างนี้ก็ขอโน้นาที่เราใช้ความอดทนและใช้สติปัญญาในการศึกษา ในการที่ทำความเข้าใจในเรื่องของสมถวิปัสนาและขอความตั้งใจนี้จะเป็นพระปัใจจัยให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในจิตในใจตนเองจนหายสงสัยด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ